สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีมีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนเพจพระเจอผีค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เพื่อนนี้เคยเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วแล้วก็เอามาแชร์ให้กับแฟนๆรายการพระเจอผีได้รับฟังกันค่ะก่อนอื่นบีขออนุญาตเกริ่นเรื่องนิดหนึ่งนะคะคือเจ้าของเรื่องกับเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันบ่อยนักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความสนิทชิดเชื้อเพื่อนคนนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นเพื่อนรักเลยก็ว่าได้ แล้วก็เพื่อนคนนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นคนพูดจาขวาญผ่าซากพูดจาผงผางไม่กลัวใครแต่ว่าพอมาเจออ่ากับเพื่อนคนนี้ตอนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนกันไปเป็นคนละคนเลยนะคะคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อ M ค่ะครอบครัวของ M อ็มี่เป็นคนต่างจังหวัด พ่อแม่ก็มาทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคือพ่อก็จะมีนิสัยติดเล่างอมแงมเหมือนอกันกับเพื่อนคนนี้ไม่มีผิดเลยซึ่งคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็ใจดีเป็นแม่สีเดือนมากๆเลยแหละค่ะแต่ว่าปัญหาครอบครัวก็คือการทะเลาะเบาแวง ระหว่างพ่อแล้วก็แม่เสียงดังค่ะทำให้มีปัญหากับบ้านข้างรวมไปถึงกลุ่มที่ชอบดื่มเหล้าของพวกเราด้วยก็เลยทำให้ต้องขยับขยายาย้ายบ้านอยู่บ่อยครั้งจนคุณเอ็มเนี่ยนะะที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเลิกเรียนไปช่วยงานที่บ้านทำกิจการส่วนตัวทีนี้เจ้าของเรื่องที่เล่าเรื่องนี้ขออนุญาตใช้ชื่อว่าคุณป้อมก็แล้วกันนะคะ คุณป้อมกับเอ็มก็ติดต่อกันบ้างทาง a c e b o o k บ้างซึ่งเสียดายเนี่ยที่คุณเอ็มเป็นคนเรียนดีใจนักเลงเป็นเพื่อนที่ดีน่าคบหาได้เลยจนเมื่อได้มามีโอกาสพบเจอกันอีกครั้งก็มีการนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้กันจนเมาได้ที่ละค่ะคุณเอ็มก็เลยเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยบ้านกูนี่แม่งไม่ดีเลยวะคุณป้อมก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงวะกูเห็นหลังนี้เนี่ยมึงเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานนี่เอง คุณเอ็มก็เลยตอบไปค่ะบอกว่าถ้านานกว่านี้เนี่ยกู ค, คงเป็นโรคประสาท ต, ตายก่อนแน่ๆเลยทุกวันนี้เนี่ยกูอยู่กับพ่อกับแม่สองคนเนี่ยแต่ว่าแม่กูก็ต้องไปอยู่กับญาติตกใจค่ะคุณป้อมตกใจแล้วก็ถามกลับไปอีกเอา้าพ่อมึงก็ยังตีแม่มึงอยู่อีกหรอถึงต้องหนีไปอยู่กับญาติของแม่มึงอะ่ะคุณเอ็มก็เลยตอบด้วยเสียงแบบคนคุ้นคิดนะคะบอกว่าเออพ่อกูตีเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับบ้านหลังนี้หรอกเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟัง เรื่องทั้งหมดต่อไปนี้ค่ะคุณป้อมบอกว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ได้ฟังมาจากปากคุณเอ็มแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงร้อเซนะคะเพราะว่าเขาได้ฟังมาจากเพื่อนอีกทอดหนึ่งซึ่งเจ้าของเรื่องที่ประสบเหตุการณ์นี้บอกมาค่ะว่าหลังจากที่ย้ายบ้านครั้งล่าสุดที่บางบอน ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พุทธมนตรสายสีเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยใหญ่นักเท่าไหร่หรอกนะคะแล้วก็มีคนอยู่อาศัยน้อยเหมือนหมู่บ้านร้างเลยแหละค่ะมีบ้านหลายหลังแล้วก็เป็นบ้านร้างด้วยมีวัยรุ่นมั่วสุมกันเป็นจํานวนมากตกกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่มีคนเดินออกจากบ้านมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะช่วงอาทิตย์แรกนี่ก็ไม่มีอะไรจนเก็บกวาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําบุญบ้าน ตั้งสรรพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางใหม่ก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นซอยบ้านที่เอ็มพักอยู่เนี่ยก็คือซอย7จทับ 4, จะอยู่หลังหลังหมู่บ้านแล้วก็ติดกับป่าด้วยในซอยเนี่ยก็มีบ้านคนรวมๆแล้วก็ประมาณ8หลังค่ะแต่ว่าแต่ละหลังนี่ก็จะเป็นบ้านร้างขั้นกลางตลอดคือบ้านของคนเอ็มเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็อยู่ในสุดเลยหันหน้าออกมาหน้าซอยคือถ้ายืนมองเข้าไปในซอยเนี่ยจะเห็นตัวบ้านของเอ็มเลย แล้วก็เล่าต่อว่าวันแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านนะประตูบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านนี่คือมันจะมีประตูแบบประตูเลื่อนนะคะคือจะมียันเทวเวสวรรติดอยู่เหมือนจะหลุดอยู่แม่เอ็มก็เลยทาการดึงออกแล้วก็ทำการย้ายเข้าไปอยู่เลย คุณเอ็มรู้สึกว่ามันเย็นเข้าไปยังไงก็ไม่รู้เมื่อเดินเข้าไปในห้องโถงของบ้านซึ่งบ้านเนี่ยมันมีลักษณะสองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำคือห้องใหญ่หนึ่งห้องก็จะมีห้องน้ำด้วยแล้วก็อีกสองห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องน้ำใต้บันไดหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องโถงรับแขกด้านในชั้นแรกเป็นห้องครัวแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติก็คือบ้านนี้สะอาดมากเหมือนมีคนมาทาความสะอาดอยู่ทุกวัน แต่ก็ยังพอมีฝุ่นอยู่บ้างคุณแม่ของเอ็มก็เลยบอกว่าดีจังแทบไม่ต้องทําความสะอาดเลยบ้านใหญ่ขนาดนี้มีที่จอดรถแต่ราคาเช่าต่อเดือนนี่ถูกมากค่ะคุณผู้ฟัง 4,500 บาทเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็ไอที่น่าแปลกก็คือมันต้องมีค่ามัดจําทําสัญญาอะไรบ้างนี่ก็อยู่เข้าได้เลยเหมือนกับเจ้าของบ้านจะยัดเยียดให้นะคะพอหลังจากที่ทําบุญบ้านเสร็จก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเช่นมีเสียงคนร้องไห้บ้างเสียงคนทะเลาะกันบ้าง เสียงคนคุยกันจากหลังบ้านบ้างและทุกคนในบ้านนี่ก็จะได้ยินกันหมดทุกคนนะคะยิ่งวันโกนวันพระนี่ยิ่งหนักเลยเสียงเหมือนมีตัวอะไรคลานหรือว่าเดินอยู่บนฟ้าเสียงมันจะดังกุกกักกุกกะนะคะจะเป็นแมวก็ไม่น่าจะใช่มันจะลากหนูทั้งคืนเลยหรื อ, อยังไงบางวันนะก็มีเสียงคนมาเรียกหน้าบ้านค่ะมาเคาะประตูแล้วก็อีกมากมายหลายอย่างแต่ว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่คุณเอ็มเล่าเนี่ยทําเอาคุณป้อมเองคนลุกกลางวงเล่าเลย วันนั้นเป็นวันพระคุณเอ็มนี่ไม่ค่อยสบายอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ก็ไปทำงานรับเหมากับลูกน้องเวลาตอนนั้นก็ประมาณโ r ล p เพลละค่ะประมาณ4ี่โมงเย็นก็นอนอยู่กลางบ้านนะคะก็คือเป็นห้องโถงแล้วก็ในขณะที่หลับอยู่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนชั้น2ของบ้านแล้วก็คนผิวปากนะคะเป็นเสียงเพลงเหมือนทำเพลงทานองนั้นจนเสียงนั้นนี่เข้ามาใกล้ๆใกล้จนเข้ามาข้างหูคุณเอ็มก็เลยตื่น แต่ว่าได้แต่ลืมตากรอกไปมาแต่ว่าขยับตัวไม่ได้นะคะซึ่งคุณเอ็มก็นอนตะแคงนะเห็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายแก่ผมหงอกคิ้วดำใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีน้ําเงินเดินผิวปากไปแต่ว่ามีการเอี้ยวคอมามองตาคุณเอ็มคุณเอ็มเองก็พยายามหลับตาค่ะแต่ก็หลับไม่ได้เหมือนกำลังโดนผีอัมคือไม่สบายด้วยก็บวกกับไม่มีแรงแม้แต่จะร้องอร้องตะโกนให้คนมาช่วยเนี่ยนะคะ คนแก่ตัวขาวซีดคนนั้นเนี่ยซีดจนเห็นเส้นเลือดเลยเดินวนไปวนมาภายในบ้านคุณเอ็มก็ร้องไห้สวดมนตร์ร่างของลุงแกก็ค่อยๆเดินมาที่คุณเอ็มแล้วก็จ้องหน้าไปเรื่อยๆก็คงจะหมดสติไปแหละนะคะเพราะว่าตื่นมาอีกทีหนึ่งอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านหนองแขมแล้วคุณเอ็มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังและนี่คือเหตุการณ์ที่ตัวของเขาเจอนะคะหลังจากนั้นมีอยู่คืนหนึ่งค่ะราวๆตีหนึ่ง พ่อคุณเอ็มเนี่ยกลับมาจากไปดื่มข้างนอกก็เป็นร้านยาดองแถวบ้านพ่อก็ไปอาบน้ําก็รู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดอยู่ๆค่ะไฟก็ดับพรึบลงแต่ว่าเห็นไฟข้างนอกประตูนี่ยังติดอยู่นะแล้วก็มีเงาคนเดินผ่านหน้าห้องน้ําอยู่พ่อก็เลยตะโกนบอกไอเอ็มหรือเปล่าไฟดับเหรอแต่ไม่มีเสียงตอบนะคะพอพ่อพ อ, อาบน้ําเสร็จไม่พบใครคุณเอ็มก็หลับแม่ก็หลับแล้วก็เดินมาที่หน้าประตูเนี่ยคือใคร เพราะว่าพักกันอยู่แค่สมคนเท่านั้นทีนี้พ่อก็เลยเล่าค่ะว่ามักจะฝันเห็นผู้หญิงวัยกลางคนนี่แหละแต่งชุดเสื้อยืดกางเกงขาเดฟขายาวมาเข้าฝันบอกว่าให้ช่วยเธอหน่อยเธอเทอรามานอยู่ที่นี่ในฝันนี้เธอดูน่าสงสารมากค่ะเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้คุณป้อมที่ฟังเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนี่ขนลุกกันเลยแล้วก็ยังมีอีกมากมายอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อของเอ็วันหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นไปแล้วนะคะ พอพ่อกลับมาจากไปคุมคนงานที่ก่อสร้างประมาณตีสองกลับมาเข้าบ้านก็เห็นแม่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องโถงค่ะแต่ว่าในบ้านนี่ปิดไฟนะเปิดไฟดวงเล็กๆในครัวแค่ดวงเดียวเท่านั้นก็เลยทำให้บ้านเนี่ยไม่มืดมาก มันก็พอจะมองเห็นได้นะคะเห็นแม่มคุณเอ็มอยู่พ่อคุณเอ็มก็มีนิสัยหึงหวงแล้วก็ชอบทําร้ายอยู่เป็นประจําก็เลยตะโกนเสียงดังออกไปว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วมึงยังมาคุยโทรศัพท์กันอยู่มึงคุยกับใครแต่ว่าแม่ก็ยืนนิ่งนะพ่อก็เลยเดินเข้าไปด้วยอารมณ์กโกรธจัดนะคะโกรธจั ก, กริดเล่าด้วยหึงด้วยหวังจะทําร้ายแต่ว่าในขณะที่พ่อเดินเข้าไปค่ะพ่อนิหายเมาทันทีเลยคือผู้หญิงที่ยืนคุยโทรศัพท์เนี่ย ค่อยๆหันคอมามองหน้าพ่อคือเอาแค่คอนะหมุนมาแต่ตัวยังยืนอยู่ที่เดิมไม่มีการเอี้ยวตัวแต่อย่างไรมีเพียงแค่คอหันมาเท่านั้นตาโบแลบลิ้นร่างของเธอก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับสติของพ่อเอ็มที่โวยวายอย่างคนบ้านะคะพ่อรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนค่ะเข้าห้องพระสวดมนต์ตัวสั่นริกเลย จนแม่แล้วก็เอ็มนี่ตื่นตกใจเข้ามาถามกันยกใหญ่ว่าพ่อพูดจาเหมือนคนขาดสติบอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกกู้ผีหลอกกู้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆจนเอ็มถึงต้องกับแทบเสียสติเลยนะคะในระหว่างที่เล่าเนี่ยทุกคนที่อยู่ในวงเนี่ยก็ฟังอย่างตั้งใจมันมีอาการผวาเหงื่อแตกมือสั่นอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะไหว น, นะคะ ทีนี้พ่อก็เลยได้นิมนพระมาทำพิธีปัดเป่าทำนองนั้นไปแต่แทนที่จะดีขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องกลับไม่ได้ดีขึ้นเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นวันวิสาขบูชาค่ะแม่ของเอ็มนี่ลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกแม่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเรียกชื่ อ, อเรียกชื่อแม่อยู่ที่หน้าบ้าน เวลาตอนนั้นสักประมาณตีสได้แล้วนะคะมีเสียงเรียกแล้วก็เคาะประตูเป็นระยะค่ะแต่ว่าแม่นี่กลัวไงกลัวว่าจะเป็นขโมยก็เลยชะโงกหน้ามองผ่านหน้าต่างลงไปภาพที่เห็นคือผู้ชายชาราร่างเล็กๆผมผอ ม, ผอมน่าจะคนเดียว ก, กันกับที่เอ็มเจอนะคะ กำลังนั่งยองๆกินอะไรบางอย่างแต่ว่ามืออีกข้างหนึ่งนี่หูยาวเหยียดมาถึงหน้าประตูกำลังเคาะเรียกแม่อยู่แม่ตกใจฮะกรีดลั่นบ้านเลยทำให้เอ็มแล้วก็พ่อ น, นี่ตื่นขึ้นมาดูนะคะภาพที่เห็นก็คือเอ็มแล้วก็พ่อ น, นี่เห็นแม่กำลังฟุบหลับเหมือนคนหมดสติเช้าวันต่อมาแม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังและทั้ง3าก็เลยมานั่งคุยกันบอกจะเอายังไงดีในบ้านมีสิ่งแปลกปลอมขนาดนี้ พ่อก็เลย ย, ย้ายแม่เนี่ยให้ไปอยู่กับญาติของแกแถวแถวัถววดลาดประดุกที่บางใหญ่แต่ว่าคุณเอ็มเนี่ยยังคงอยู่กับพ่อที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งแกบทเรียนมาก็พอจะมีวิชาติดตัวมาบ้างแต่ว่าแกศึกจากพระมาทํางานเลี่ยมกรอบพระอยู่แถวตลาดบางแคค่ะเพื่อนของพ่อคนนี้เนี่ยก็ได้ให้ยันสีเหลืองๆมาหนึ่งพื้นแล้วก็สีแดงอีกหนึ่งพื้นให้มาติดไว้ที่บ้านนะคะที่ประตูทางเข้าบ้านแล้วก็หน้าบ้าน หลังจากกลับมาติดยันเรื่องราวต่างๆก็เริ่มดีขึ้นแต่วัดเช้าวันหนึ่งค่ะก่อนที่พ่อจะออกไปทํางานเนี่ยเปิดประตูออกมาก็มีเศษหนังอะไรสักอย่างเป็นหนังแห้งๆมีตะปูแทงอยู่แล้วก็มีเส้นผมที่เป็นกระจุกกระจุกฝังอยู่ในเศษเนื้อนั้นเหมือนกันมันเหมือนหนังหมูป่าแล้วก็ติดอยู่กับยันหน้าประตูบ้านพ่อก็คิดว่าคงจะมีใครมากแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยมันมีเด็กวัยรุ่นเยอะติดยาเอ้ยแก๊งมอเตอร์ไซค์เอ้ย เยอะแยะมากมายเลยอาจจะคิดว่าอาจจะมีปัญหากับ M หรือเปล่า M มันก็มีลักษณะประมาณว่ากวนพอสมควรนะคะพ่อก็เลยไม่ได้สนใจจน2วันต่อมาค่ะคืนนั้นพ่อกับ M ได้ยินเสียงคนเคาะประตูกลางดึกก็เลยชวนกันลงมาดู M นี่เดินตามหลังพ่อลงมาถามว่าขโมยหรือเปล่าพ่อพ่อก็เลยไปหยิบปืนมาและพ่อก็ทําให้อ่าทำมือเนี่ยแบบเหมือนเงีบเงียบนะคะพอพ่อมองหน้าของ M แล้วก็ทําเสียงนั้นเสร็จ เสียงคอก็เงียบไปพ่อก็เลยเปิดประตูออกมาออกมานะคะก็เจอเหมือนเดิมค่ะเหมือนหนังหมูแห้งประมาณแบงค์สิบบาทอยู่หลายแผน่นรุ่งเช้าพ่อก็เลยนำของทั้งหมดนี้ไปให้เพื่อนดูพ่อบอกว่ากูว่าแล้วบอกให้เอาไปเผาทิ้งมันเป็นของของคนที่เล่นวิชามันลอยมาเพราะว่าบ้านของเองเนี่ยมันอยู่ทางสามแพร่งพอดีถ้ามาหากูช้ากว่านี้เนะี่ยอาจจะมีคนในบ้านได้ถึงตายแน่ อันนี้เพื่อนของคุณพ่อของคุณเอ็มเป็นคนพูดนะคะทีนี้เนี่ยพ่อก็เลยทำตามคําแนะนำของเพื่อนก็คือทุกเช้าวันพระให้เอาของคาวหวานข้าวปลาน้าแล้วก็จุดธูปดอกหนึ่งแล้วก็กล่าวถึงสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ให้มารับของเส้นไหว้ด้วยบทสรุปของเรื่องก็คือพ่อตัดสินใจหยุดงานเพื่อรอพบเพื่อนบ้านค่ะจนเจอเพื่อนบ้านลุงคนหนึ่งลุงคนนี้เนี่ยเป็นทนายนันๆก็จะมาพักที่นี่ ก็ไม่รู้อะไรดนใจแล้วค่ะทำให้พ่อนี่บังเอิญเจอกับลุงพ่อก็เลยเข้าไปถามว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีประวัติอะไรไหมลุงทนายคนนี้เนี่ยแกก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคร่าวๆ ว, ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันสร้างทับป่าช้าเกา่าเป็นสุสานฝังศพมั้งแต่สมัยก่อนตัวของลุงเองแกก็อยู่มานานแล้วเห็นมีคนมาเช่าใหม่ๆก็อยู่ได้ไม่เกินสองเดือนก็เพ่นออกไป แต่ว่ามีอยู่คู่สามีภรรยาคนหนึ่งที่มาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยแรกๆ ก, ก็อยู่ดีนะหลังๆก็ทะเลาะวิวาสตบ ต, ตีกันซึ่งสามีไปตํารวจนะคะสามีบีบคอภรรยาจนตายค่ะแล้วก็ยิงตัวตายตามแล้วก็ยังมีอีกคือตาคนหนึ่งเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ถูกคือลูกเนี่ยเช่าให้อยู่กับหลานสองคนเด็กก็ออกไปร้านเกมบ่อยๆทิ้งตาไว้ที่บ้านตาก็ล้มหัวฟาดพื้นตายคาห้องโถงไม่ได้โดนกับบ้านเดียวกันนะคะคือโดนกันทั้งซอย จนย้ายหนีไปหมดละคือเอาง่ายๆคือไม่ได้โดนอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านเดียวนะคะคือหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟัง คุณเอ็มก็มานอนบ้านเพื่อนคุณป้อมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ น, นี้ให้ฟังซึ่งปัจจุบันเอ็มแล้วก็พ่อเนี่ยได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเป็นที่เรียบร้อยมาหลายปีมากแล้วแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนี่อาจจะฟังดูเหมือนกับเวอร์วังนะคะหรือว่าเป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่ไม่เคยเจอแต่ว่าสําหรับคนที่เชื่อเรื่องหลังความตายอย่างหลายๆท่านอาจจะขนลุกอยู่ก็เป็นได้ค่ะเรื่องนี้นะะีคะคุณป้อมเองเคยเขียนไว้ในแอปพลิเคชันบีท็อกในบอร์ดตำนานลี้ลับเผื่อว่าใครอาจจะเคยได้อ่านยังไงก็ขอบพระคุณช่อง พระเจอผีที่ทําผลงานดีๆมาให้ได้รับฟังแอดมินรักษาสุขภาพด้วยนะครับจะได้มีแรงผลิตผลงานหลอนๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบพระคุณสําหรับเรื่องเล่าบ้านเช่าหลังนั้นจากคุณป้อมนะคะแฟนเพจทางด้านของพระเจอผีแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องนะคะน่ากลัวตื่นเต้นจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่คนอื่นเล่าให้ฟังทีอ่อยากจะถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆได้ฟังกันเนี่ยก็ สามารถที่จะ inbox เข้ามาในแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีส่งเรื่องนี้มาให้บีได้เลยนะคะเดี๋ยว B. ีจะนำมาเล่าออกอากาศทางช h a n n e l ลพระเจอผีให้กับผู้ที่สนใจเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องตื่นเต้นแบบนี้ได้ฟังกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องอื่นๆต่อนะคะมีหลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนกันกับ B. ีก็เลยได้ไปเสาะหาข้อมูลค่ะว่าทาไมสุนัขที่เราเลี้ยงไว้หรือว่าสุนัขทั่วไปเนี่ยถึงมองเห็นผี สมัยตอนยังเด็กในดึกดื่นคืนหนึ่งก็อาจจะได้ยินเสียงหมาหอนด้วยความกลัวผีเชื่อว่าหลายคนค่ะถึงกับนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวก็เลยถามแม่ไปค่ะว่าแม่ทำไมหมามันหอนมันหอนเพราะมันเห็นผีใช่ไหม คุณยายเคยเล่าให้แม่ฟังอีกทีหนึง่งแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีผีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี้ยเร่ร่อนนะจนมาถึงบ้านชาวนาคนหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงตําข้าวแม่ของผีเนี้ยสั่งให้ลูกรออยู่หน้าบ้านจะไปขอเอาข้าวเนี่ยแบ่งมาให้ผีน้อยผีน้อยก็เลยรออยู่หน้าบ้านค่ะแม่ผีน้อยเข้าไปในบ้านเห็นคนกําลังตําข้าวด้วยครกมองครกมองคือครบใบใหญ่ทําด้วยไม้นะคะแม่ผีน้อยก็เลย ควักข้าวในครกมองและข้าวก็เลยกระเด็นออกมาค่ะแต่ว่าคนนี้ไม่เห็นผีนะก็เลยคิดว่าเออตำแรงไปก็เลยผ่อนแรงลงนะคะแต่ว่าข้าวก็ยังคงกระเด็นออกมาอยู่ดีนี่ก็เป็นสาเหตุว่าเวลาตำข้าวแล้วข้าวกระเด็นเพราะว่าผีควักข้าวส่วนผีน้อยค่ะที่รอแม่อยู่หน้าบ้านนานแล้วแม่ไม่มาสักทีก็เลยเป็นห่วงแต่ว่ารับปากกับแม่แล้วว่าจะรอจึงไม่กล้าเข้าไป ท่านใดนั่นเองผีน้อยนี่เห็นไก่เดินผ่านมาก็เลยพูดกับไก่บอกคุณไก่จ้าคุณไก่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมผีน้อยเรียกไก่แต่ว่าไก่ตัวนั้นมองไม่เห็นผีน้อยได้ยินแต่เสียงก็เลยตะโกนถามกลับบอกเธอเป็นใครแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรไก่ใจดีถามผีน้อยก็เลยตอบว่ า, าตัวเองเนี่ยเดินผ่านมากับแม่แล้วแม่ก็เข้าไปขอข้าวในบ้านอยากให้ไก่เนี่ยเข้าไปตามหาแม่ตนให้ที ไก่ก็เลยพูดกับผีน้อยไปบอกว่าแล้วฉันจะมองเห็นแม่เธอได้ยังไงล่ะผีน้อยก็เลยเอาว่านให้ไก่กินค่ะเราก็เลยเรียกว่าว่านเห็นผี บังเอิญเหลือเกินสุนัขเดินผ่านมาเห็นไก่กำลังกินว้านก็เลยเข้ามาแย่งนะคะว้านก็เลยหักเป็น2 ส, ส่วนค่ะสุนัข ก, ก็เลยได้กินว้านอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มองเห็นผีตั้งแต่นั้นมาส่วนไก่นะทักขันตอนกลางคืนแสดงว่าไก่เห็นผีค่ะส่วนผีน้อยได้เจอแม่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากว่าตอนนั้นไม่ได้ยินแม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหมาหอนก็จะคิดว่าเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันกินว้านมองเห็นผีมันก็เลยได้หอน แต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังเรื่องทั้งหมดนี่อาจจะเป็นแค่นิทานที่ใช้กล่อมเด็กน้อยขี้กลัวผีในคืนนั้นให้นอนหลับได้ก็คงจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเราจะมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องที่เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่ลึกลับ น่ากลัวน่าสะพรึงเลยนะคะก็คือลุงชาวลำปางคนหนึ่งเนี่ยแกเผยวินาทีชีวิตตอนที่แกหลงป่าแม่วะเจอผีค่ะเป็นเงาดำทะมุนเลยแต่ผีตัวนี้เนี่ยกลับช่วยพาคุณลุงคนนี้ให้รอดนะคะจากความตายจากการหลงป่าได้โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนนะคะปี2559โดยคุณลุงคนนี้ค่ะแกได้เกิดหลงป่าก็คือคุณลุงบุญชูในระหว่างที่แกเข้าไปหาเห็ด อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางหลงป่าอยู่ถึง2วันเต็มค่ะก่อนที่รุ่งเช้าของวันที่29กันยายนปี59เกนี่ยแกจะออกมาจากป่าได้เองคือหลงวันที่27นะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเถินเนื่องจากมีร่างกายที่อิดโรยแล้วก็แพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ในเวลาต่อมาค่ะโดยมีเพื่อนบ้านของแกเนี่ยเดินทางมาเยี่ยม คุณลุงบุญชูอย่างไม่ขาดสายเพื่อสอบถามอาการแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในการหลงปากครั้งนี้ คุณลุงบุญชูเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทําเอาชาวบ้านถึงกับต้องตกตะลึงกันเลยล่ะเกือบเอาชีวิตไม่รอดกลับมาไม่ได้แล้วก็ในป่าแห่งนี้คุณลุงบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ผีป่าอยู่จริงโดยหลังพระอาทิตย์ตกดินทั้งคืนแรกแล้วก็คืนที่สองตัวเองเนี่เจอผีหูเยอะมากโดยผีตนแรกที่เจอนนเนี่ยเป็นเงาทรรมนตัวใหญ่ขวางอยู่ตัวเองก็เลยยืนตั้งหลักถือมีดกำไว้ในมือนแน่นเลยนะ ตั้งสติมองให้ชัดแต่ก็ไม่พบเห็นใบหน้ามีเพียงลักษณะเป็นเงาดำทะมึนเท่านั้นก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยรีบเดินหนีแต่ว่าในขณะที่คุณลุงกําลังเดินหนีค่ะก็มีผีลอยวนเวียนอยู่รอบๆแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้สนใจหลบหูหลับตาหลับหูหลับตาเดินหนีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อหวังที่จะเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ นายบุญชูหรือว่าลุงบุญชูของตอนนี้แหละนะคะยังเล่าต่อว่าในขณะที่อยู่ในป่าเนี่ยก็กินน้ำเลยลำห้วยกินผลไม้ป่าแล้วก็กินใบเมา้าซึ่งเป็นใบเม้าป่าคุณลุงบอกว่าคุณลุงรู้จักพืชชนิดนี้ดีเพื่อที่จะประทังชีวิตให้มีแรงแล้วก็จะนอนในช่วงกลางวันหากมีแรงก็จะเดินไปเรื่อยๆทมกลางร่างกายที่อ่อนล้ามากทั้งหิวทั้งเหนื่อย พอตกมืดก็มีผีวนเวียนมาหาค่ะแถมยังมาชวนกินข้าวด้วยนะตัวเองก็มองพบว่าเป็นอาหารอย่างดีที่ผีนำมาเลี้ยงแต่ด้วยความกลัวก็เลยเดินหนีเพื่อหาทางออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่สองขณะกาลังจะหมดแรงแล้วก็นอนหลับอยู่ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูบอกว่าปะ๊จะจอบอไปทรงลุง ก, ก็เลยรีบลืมตาขึ้นมาดูก็ลุกขึ้นยืนก็มีเงาดาค่ะซึ่งเป็นผีเนี่ยเดินนาหน้า ตัวเองก็เลยเดินตามหลังผีเนี่ยไปจนกระทั่งไม่นานก็ออกจากป่าได้สำเร็จบริเวณแนวป่าบ้านน้ำดิบตําบลแม่วะอําเภอเถินจังหวัดลำปางส่วนผีตนนั้นเมื่อมองแล้วก็หายไปคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยนะคะซึ่งเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่สร้างความสนใจและก็ความน่าสะพรึงกลัวต่อชาวบ้านที่ได้ยินข่าวเป็นอย่างมากเลยแล้วต่างก็มีความเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอุทยานแห่งชาติป่าแม่วะเนี่ยมีเจ้าป่าเจ้าเขาปกปักรักษาอยู่แล้วก็มีผีป่าล่องลอยอยู่จริงโชคดีที่ออกมาได้โดยที่ชาวบ้านต่างเชื่อว่าสาเหตุที่นายบุญชูออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางญาติได้อนเชิญร่างทรงมาที่บ้านได้บอกว่าผีจะเอาไปอยู่ด้วย ทำให้ตายในป่าแต่หากจะปล่อยอาจจะให้ปล่อยก็ให้นำหมูเป็นเนหนึ่งตัว แล้วก็หมูที่ตายแล้วหนึ่งตัวไปถวายเพื่อเป็นการสังเวยแล้วก็เป็นการขอขมาทางญาติก็เลยรีบนําสิ่งของเหล่านี้แล้วก็จุดธูปถวายในคืนนั้นทันทีนะคะพร้อมกับกราบไหว้สารพ่อหลวงผาแดงที่ตําบลแม่วะเพื่อขอให้ช่วยเหลือจนกระทั่งนายบุญชูสามารถออกจากป่าได้เองค่ะทั้งที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะออกตามหาถึง2วันซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อนะคะว่าถูกผีบางตามไม่ให้เจอ ซึ่งผีก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าของเส้นไหว้ที่ญาติพี่น้องเอาไปถวายเนี่ยจนยอมปล่อยตัวออกมาค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีชาวบ้านทั้งในจังหวัดลําปางแล้วก็ต่างจังหวัดที่เข้าไปเก็บเห็ดแล้วก็เกิดหลงป่าแห่งนี้มาแล้วเกือบ10บคนในปีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังประจําวันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้บีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ